การใจชัดชยัยนะครับเพื่อทันสุดท่าน ว่าอายุยังไม่น้อยอยู่นะแต่บางทีถ้าเราใช้ไม่ทนุถนอนไม่ระวัาางเนี่ยก็โอกาสที่จะพังเสียหายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เศรษฐีวิตนะวัยรุ่นนะเสียพังได้ไรพังพังได้ยาติดติดเนาะบางคนไปติดติดเหล้าติดกาวติด นะยาบ้าอะไรพนั้นนะสมองก็เสียอนาคตก็พังเลยนะหลายคนก็ไปติดแบบนั้นก็ชิวิตพังนะหรือบางคนก็นะไปในทางที่ที่ผิดในห ล, หลยายยามันก็มันก็เหมือนเป็นทางทางแยกนะไวรุนเนี่ยของเรามันเหมือนเป็นทางทางแยกนะถ้ามันตั้งต้นได้ดีนะโอกาสที่มันจะไป สู่ชีวิต ท, ที่ดีนะก็ก็มีสูงนะแต่ถ้ามันตั้งต้นไม่ค่อยดีนะโอกาสที่จะทะเลทะลายออกไปมันก็บางคนก็ไปไกลเลยกูัไม่กลับนะอยู่ในสถ า, านพินิษฐ์นะเวลาทําผิดนะหรือว่าโตขึ้นไปเข้าพุกเข้าตารางนะอันะันก็มีนะแต่บางคนก็ไปดีนะนะ ในการเรียนก็ดีในการทำงานก็ดีในการใช้ชีวิตก็ดีนี่นมันเป็นสิ่งที่ที่สาคัญนะชีวิตเราในแต่ละขณะเนี่ยมันเหมือนเราไปเลือกใช้ชีวิตเราไปทางไหนนะชีวิตเราใช้ไปทางไหนเห็นโฆษณาเขาบอกชีวิตเราใช้ซะใช้แต่รู้ใช้ไปทางไหนนะแตาว่าใช้สมมติว่าเราเรียกว่าชีวิตเราก็จริงนะ เราใช้มันเอะนะแต่บางทีถ้าเราคิดว่าชีวิตเป็นของเราคนเดียวเนี่ยบางทีเราก็จะใช้ชีวิตตามใจตัวเองครับบางทีบอกชีวิตหนูแม่เยี๋ยมายุ่งนะแต่ถามว่าชีวิตหนูชีวิตเราเนี่ยมันเนื่องด้วยใครบางทีก็เนื่องได้พ่อแม่ใช่ไหมเราทําตัวไม่ดีเนี่ยบางทีเราไม่พุกข์นะ รูสึกสนุกนะไปเที่ยวกับเพื่อนนะไปสนุกสนานแต่พ่อแม่เราบงทีคุกสองสามทุ่มแล้วลูกไม่กลับบ้านนะหรือบางคนบอกลูกไม่ลูกไม่กลับบ้านมาสามสีว่วันแล้วนอนไม่ดับมีนะใช่ไหมพ่อแม่เคยมาเล่าให้ฟังนะเป็นพารนะ์นทน่ะบางทีไม่ได้ไปไปยื้อกันนั่นเองนะแต่ก็ได้ยินเล่ฟังเรื่องคนนี้เยอะ ลูกไปติดเพื่อนนะแล้วก็ไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วนะทํายังไงดีนะไม่ไปเรียนนังสือนะนี่บางทีลูกอาจจะรู้สึกสนุกเวลาอยู่กับเพื่อนแต่พ่อแม่นี่เป็นทุกข์มากเพราะว่าลูกไม่กลับบ้านลูกไปเกร เ, นะเรนะดีขีดเล่านะว่าใช่ขีดเล่าก็ใช่นะแต่ถ้าเรารู้จักใช้นะบางทีเราก็ต้องรู้จักใช้ให้มันไม่เป็นทุกขนะ์เนาะไม่เป็นโทษกับตัวเราเองแล้วก็ ไม่เป็นโทษไม่เป็นโทษกับผู้ปกครองของเราด้วยนะหรือว่าคนที่เขาห่วงใยเรานะี่ยอันนี้ก็ฉันชีวิตเป็นของเราก็ถูกนะแต่เราก็ควรที่จะเลือกใช้ในทางที่ถูกเช่ไถ้าเราแชเลือกใช้ชีวิตในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ก็เป็นทุกข์ตนโทษกับทั้งตัวเราเองหรือว่ากับคนอื่นด้วยเราจะใช้ชีวิตถูกได้ยังไงนะ ก็ต้องมีแบบอย่างที่ถูกครับนะการมีแบบอย่างที่ถูกเนี่ยสําคัญนะกรนะาแสรุ่นใหม่นะันเอายกมีไอดอลนะใช่ไหมมีมิตอย่างนะีเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนะเพราะเรานะีไหมมีไอดอลไหมมีคนที่เรารู้สึกแบบกระทับใจเอาเป็นแบบอย่างนะเมือ่อ สอามวันที่ผ่านมาอาจารย์ไปอบรมที่ยูบฟูดที่กรุงเทพนะก็เด็กรุ่นนู้นพวกเรานอนกจากเราบ้างตั้งแต่สิเ็ดถึงสิบเจ็ดปีประมาณสองร้อยคนนะระดับเด็ก เ, เด็กกรุงเทพแล้วก็ปรดิษฐ์มรดกมาอบรมก็อยู่ในห้องอะไม่ได้อยู่ในห้องคักข้า ง, างแต่ก็ได้ยินเสียงเปลี่ยนลำโคที่เขาปล่อยออกมานะจากจากข้างนอกก็มีวิทยากรก็ถามว่าพบเธอมีอไอต่อ ใครบ้างเลยประมาณนะ้นขอตัวอย่างมาที่สิบคนมาพูดเท่าที่ฟังสองสามคนแรกนะพูดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้จักเลย <c oughs> ตกยกนะคนนร้ยกเขาพูดถึงนักมวยปล้ำ น, นักมวยปล้ำที่แบบดังๆเลยเราดังในหมู่วัยรุ่นนะนะ่ะวิทยากรก็ถามว่าเขาดียังไงครับเขา คล้ายๆเขาเทพดีนะว่าดาเขาแบบเปรี้ป้ามเนี่ยเขาแบบใสอารมณ์ใช้ความแรงเลยสะใจมากประมาณนั้นอ๋อแต่นี้วัยรุ่นเขาเอาแบบอย่างกันแบบนั้นเนาะแต่ก็ดีนะเด็กก็บอกว่าก็ชอบนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําตามเขาหรอกประมาณาชอบมันเขาเขาสแสดงเก่งนะมันสนุกในการสแสดงก็ชอบการที่สแสดงแบบนั้น นั่เราบางทีถ้าเรามีตัวอย่างในการใช้คิดที่ดีนะมันก็จะเป็นคล้ายๆให้เราได้เดินตามในทางที่ดีครับนะแต่ว่าบางทีเราเอาไอดอลในทางที่ไม่ค่อยดีบางทีถ้าเราไปเดินตามในทางนั้นนะมันก็เราก็อาจจะมีที่เราอาจจะทุกข์มากกว่าทุกข์ก็ได้ <c oughs> นะต้องพยายามหาตัวอย่างที่ดีครับนะใครก็ได้กที่ ที่เรารู้สึกว่าดีนะอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นพี่อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราอยากจะเป็นเหมือนเขาอาจจะเป็นคล้ายๆเขานะอาจจะดีเหมือนเข า, าเนะอาจจะเก่งเหมือนเขาให้เรามีตัวอยา่างอาจจะไม่ได้คนเดียวก็ได้นะหลายคนก็ได้นะแต่อยากให้เลือกในทางที่ดีสักหน่อย อย่าให้เลือกในทางที่ดีเพราะว่าถ้าเรามีตัวอย่างที่ดีอ่ะมันจะเกิดแรงบันดานาใจในการที่เราจะพัฒนาตัวเองนะประมาณว่าเขาทําได้นะเราก็ทําได้เหมือนกันอนี่ยคือมันจะได้พัฒนาตัวเองในทางที่ดีนเนี่ยต้องต้องหาตัวอย่างนะหาตัวอย่างให้ได้นะถ้าเราหาตัวอย่างได้เนี่ยเราจะเกิดการตั้งใจพัฒนาตัวเราเองในในทางที่ดี อันนี้มันจะเปนเหมือนคล้ายเป็นเข็มทิศของชีวิตครับนะเข็มทิศของชีวิตนะคล้ายๆเหมือนเราเดินทางมาที่นี่นะคนขับร ถ, ร ถ, ร, ถรถตู้อา จ, จี่ไม่เคยมาที่ตรงนี้แต่สมัยนี้ก็อาศัย GPS เนาะไม่ได้ไม่ได้ดูเข็มทิศแต่มีพิ ก, กัดไว้พิ ก, กัดว่าจะมาที่อาศมารมิรนะิยธรรมนก็ตั้งพิ ก, กัดนะจากโคราชมาที่นี่นะ มันก็จะบอกเส้นทางในการเดินทางมานี่คือเรามีเข็ม์คิดในการใช้คิดของเราหรือจะพูดตีวอย่างก็ได้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรต้องคิดนะคิดเป้าหมายนีวก่อนแล้วตอนนี้เราจะด่กเส้นจากเป้าหมายกับตันนี้มันไกลเท่าไหร่มันไกลเท่าไหร่มันต้องเดินทางแบบไหนใช่ไหม มือนเมื่อเช้าก็าอยู่ที่โคราชเราออกมาตอนบ่ายโคราชปับที่นี้มันไกลกันเท่าไหร่มันต้องเดินทางเส้นไหนเนี่ยคือเป้าหมายในชีวิตของเราเราต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วก็เริ่มรากเส้นจากเป้าหมายมาถึงวันนี้เนะ่ยมันจะต้องทําแบบไหนมันต้องทําแบบไหนอถ้าเราทําได้นะมันก็จะได้ มันจะได้คีดคำตอบก็ได้ไม่ไม่ดงที่ติดทางนะแต่ถ้าบงคนเออมีเป้าหมายก็จริงนะแต่พอเดินทางเนี่ยชอบเลี่เลี่นชอบเที่ยวแวะพักนะระหว่างทางงานมากๆนกนะหรือบางทีก็ทะเลทรายออกไปนอกรูนอกทางเยอะๆนะบางทีก็ก็ถึงเป้าหมายช้าแล้วก็หรือบางทีอาจจะเจ๊ตะเลยไปเลยเจ๊ตะระเลยจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ในชีวิตของเราเนาะเราต้องมีนะ จะใช้ทีวเลกแบบล่องรอยจะใช้ที่เล็กแบบเลร่อนจะใช้ที่เล็กแบบเลื่อยเปื่อยะถ้าจะยืดแบบล่อรอยลเล่อยล่องหรือเลื่อยเปื่อยเนี่ยมันก็ไม่ครแล้วแต่ลมจะพาไปะแล้วแต่แต่จริงประมาณว่าถ้าเป็นใบรุ่นนะแล้วแต่เพื่อนจะพาไปอืเพื่อนดีเราพาไปทางดีเพื่ you, อนไม่ดีเราพาไปทางไม่ดีนะแล้วแต่เคพื่อนจะพาไปหรือบางทีล้วก็แบบ แล้วแต่ว่าบนวาสนาจะพาไปนะไม่มีเก็ฑ์ทิศในที่นี่ของเราเนะี่ยมันก็อมันก็ไม่ใช่ดีเท่าไหร่นะต้องตั้งเป้าไว้ให้ดีนะแต่ที่จริงนะมันมีเป้าหมายในการใช้ทิศมันก็ดีเหมือนกันแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่ถ้าเป็นเป้าหมายในทางโลกนะบางทีมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับมันมันแตกนะ คือบางทีความสาเร็จทางโลกนะเราก็ต้องมีอ่นะเราก็ต้องมีแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของคนชี่ริดนะเพราะบางทีเราประสบความสำเร็จทางโลกมากก็จริงแต่แต่ถ้าเราไม่สามารถพบความสุขในการใช้ชีวิตเนะี่ยไอ้ที่มันมีมันก็เหมือนรู้สึกมันไม่อิ่มไม่เต็มสักทีธรรมะเนะี่ยเปมาช่วยเราตรงนี้แหละครับนะ เรามาปัสสาวะธรรมะสักหน่อยนะเพื่อเวลาที่เราเจอกับสิ่งที่เราเราไม่คาดเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเจอเจอสิ่งที่มันทําให้เกิดความทุกข์ใจนมันจะได้มีวิธีแก้ไวความทุกข์ใจของเราเนะี่ยอ่ามันจําเป็นนะที่เราจะต้องมีธรรมะก็มาแก้ไขพระอาจารย์ว่าในวัยพวกเราเนี้ก็ต้องมีนะมีความทุกข์ ถามตัวเองก็ืายในหนึ่งเดือนเนี้ยเคยร้องไห้ไหมเคยไหมร้องไห้ปีหนึ่งเนี้ยเคยร้องไห้ไหมอาจจะมีนะใช่ไหมีอ <nek> huh. ่าอ่าว <masa> ันทีความคุกมากๆมันก็ได้ทำให้เราร้องไห้หรือโกรธนะเราไม่พอใจ บางทีเราก็รู้ว่าไม่ควนโกรธ น, นะแต่มันก็โกรธเหมือนกักนนะโกรธในคนที่เรารักก็มีนะโกรธพ่อโกรธแม่ก็ก็มีบึงนะที่ก็โกรธตัวเองนะไม่เป็นอย่างที่ใจตัวเองต้องการหรือบางทีบางทีเราอาจจะเจอนะใบรุน่นะชอบใครสักคนหนึ่งนะเขาก็ไม่ชอบเราเนะขาเรียกว่ากบหักหรือชอบกันแล้วแล้วก็เลิกกันนะเข่าใจไห ก็ได้ว่าเขาทิ้งเราไปนะก็ก็เสียใจก็ร้องไห้นี่เป็นปัญหาที่บางทีถ้าคนเสียใจมากนะก็กาลายเป็นโรคซึมเศร้าเสียใจมากมากเลยนะก็ค่าตัวตายเพราะว่ารักไม่ได้ที่เขาที่เขาทาแบบนี้กับเราเนี่ยนะมันก็เหมือนกับชีวิตเราอะ มันติดอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่ทําให้เราทุกข์นั่นแหละที่จริงถ้าเรามองจริงๆนะพอมองไปเรื่องอื่นโคตชีวิตเรามีอะไรอีกต้องมาเยอะไม่เห็นนจะต้องมาฝากชีวิตเราไปกับผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้คนเดียวเลยงนีผู้หญิงผู้ชายอีกแต่โลกนี้ต้องมาเยอะอยอาาทํ า, ไ, า, ม า, า, า, มาทไมเราต้องมาทุกข์กับคนคนเดียวด้วยมันก็จะเปิดออกมานะาคําว่าปกอยู่ในกระดานะบางที ไม่ใช่ว่เราอยู่ในกะลาลจริงหรอกแต่บางทีเราติดในความคิดติดในอารมณ์เดียวนั่นแหละนะแล้วคนมันก็แปลกนะเวลาติดอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันก็ชอบจมในอารมณ์นะั้นเวลา อ, อกหักนะก็มักฟังเพลง อ, อกหักใช่มมัมกฟังเพลงเศร้าเพลงที่ดังๆส่วนใหญ่ก็เพลง อ, อกหักนี่น่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตะเพราะว่าเขาเขารู้ว่าคนที่มันเศร้าเนะี่ยมันชอบเพลง เกิดเรื่องแบบนี้นะก็ยิ่งอินไป ก, กับความเศร้าความทุกข์นะแต่จริงถ้าเราเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปทำอะไรอย่างอื่นที่ทำให้ชีวิตเรามันสดใสดีขึ้นเนะี่ยมันก็จะได้มีความสุขในชีวิตมากขึ้นเนะี่ยเรื่องคนนี้เป็นความทุกข์ที่เด็กก็เจอนะวัยรุ่นก็เจอผู้ใหญ่ก็เจอนะบางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วมีครอบครัวก็เจิกันก็มี สามีภรรยาเป็นมิกกิ๊กก็มีหรือบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าเขาไปไม่ดีนะหมายถึงว่าเลิกกันไปไม่ดีแต่บางครั้งที่ไม่ตอบก็ไม่แน่นอกก็คือความตายแบบนะี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายมาทัดทาเราจากคนที่เรารักมันก็มีถ้าเราต้องเจอด้วยแบบเนี้ยต้องถามตัวเองนะว่าเราจะทําใจได้เปล่า สมมติถ้าแฟนเราก็บอกว่าเราวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทําใจได้เปล่านะหรือสมมติเราได้ยินข่าวว่าพ่อแม่เราประท้วงนะสมมติประสบอุบัติเหตุตาหักเนี่ยเราจะทําใจได้ไหมนะหรือสมมติว่าเราต้องอเกิดอุบัติเหตุอนะ่พิการนะเราจะทําใจได้หรือเปล่านะถ้าเราถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองแบบซื่อสัตย์นะว่า มันก็ย า, ากนะก็จะร่ามันย า, ากนะในวยัวยในวัยขนาดนี้หรือว่าโดยที่เราแบบไม่ได้มีปัญหามาก่อนเราพอมาเจอนะมันมันยากมันยากที่จะทำใจนะมันยากที่จะทำใจยอมรับความจริงตนนั้นได้นะแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะไวเตรียมใจไวหน่อยครับมันจะเหมือนช่วงเวลาในการทำใจมันจะทัานลง <c oughs> จากบางคนเศร้าเป็นเดือน ถ้าเราศึกษาธรรมะเรื่ไหนอาจจะเศ้าสักสามวันได้กำไรยี่สิบเจ็ดวันที่ไม่ต้องมีจมูกความเศร้าอะไรประมาณนั้นนะถ้าเราเผื่อใจเรื่องไหนนะมันจะมันจะจมในความเศร้าความทุกข์ที่สั้นลงเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ถ้า อ, อีกยังหบางทีคําว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนะบางคนเดือนหนึ่งมันก็ยังเศร้าต่อไปอีกนะไปเจออะไรที่มัน ทุบซ้อนไปเรื่อยๆนะบางคนเป็นบ้าก็เยอะนะอย่างสมัยกุธการนะมีมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฐานะสูงพอสมควรเป็นลูกเศรษฐีก็ไปชอบกับเรียว่าอะไรเป็นคนใช้นะเป็นคนใช้ผู้ชายที่ทำงานอยู่กับบ้านแต่สมัยก่อนใน เ, นะเรื่องฐานะมันก็ ก็เลยว่าถ้าฐานะไม่ไม่ตรงกันเขาก็ไม่อยากให้แต่งงานกันเนาะผู้หญิงก็รู้ว่าพ่อแม่คงไม่ยอมแน่เลยก็เลยชวนชายที่รักเนี่ยหนีออกไปจากบ้านออกไปอยู่โน่นชน บ, บทแด่เป็นมีครอบครัวกันแล้วก็ตั้งท้อมโดยทรรมเนีมผู้หญิงท่วนใหญ่พอใกล้ๆจะคลอดก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะอยากกลับมาหาพ่อหาแม่ลูกคนแรกก็ ก็ อ, อยากจะกลับมานะแต่ผู้ชายบอกอย่าเพิ่งกลับเลยเดี๋ยวพ่อแม่ว่าเราก็เลยไม่กลับแต่พอคนนี้พร้อมลูกคนที่สองนางก็อยากจะกลับให้ได้สามีก็ก็อะก็ก็คิดว่าหลายปีละนะพ่อแม่คงจะพอให้อภัยได้ก็กลับก็บกลับก็เดินทางกลบับมานะก็แต่ลูกคนที่สองยังเรียกว่า ซึ่งข้อเล็ก ๆ, ๆนะตัวเล็กนะจะกลับไปหาพ่อหาแม่ผู้หญิงขณะที่เดินทางนะอยู่กลางป่าก็ผู้ชายก็ไปหาอาหารนะหาของป่าผู้หญิงก็อยู่กับลูกสองคนก็รอตั้งนานนี่สามีทำไมไม่กลับมาสักทีพอตะโกนเรียกหนาะก็ไม่ได้ยินเสียงตอบปรากฏว่าก็เลยออกไปเดินหาก็ออกไปไม่ไกลนะครับ ปรากฏว่าเห็นสามีเธเองนอนตายถูกหมู ก, กัดทุกหมู ก, กัดตายนางก็เสียใจว่าสามีไม่อยู่แล้วจะอยู่กับใครนะก็มีแต่ลูกสองคนต้องกลับบ้านนในก็เลยหอบลูกสองคนลูกคนนึงก็ เ, เป็นทารกลูกคนนึงก็แค่พอเดินได้นะก็หอบลูกกลับไปที่บ้านในระหว่างทาง มันก็มีแม่น้ำแม่น้าก็ค่อนข้างเขี่ยวนิดหนึ่งแต่ไม่สูงมากพอพอที่เธอจะเดินข้ามไปได้นางก็เลยนางก็เลยให้พี่คนโตนะรออยู่ที่ฝั่งก่อนบอกว่าเดี๋ยวแม่จะเอาน้องคนเลนะ็กเนี่ยข้ามไปฝั่งก่อนนางก็เลยอุ้มน้องคนเล็กนะ ข้ามไปฝากแล้วก็ไปวางไว้ที่ฝากนะแล้วก็เดินกลับมา เ, เดินกลับมาจะมาอุ้มนุ่นโตกลับไปที่ฝั่งอีกแต่ปรากฏว่างไงพอขรนะอาที่ย์กำลังแม่อยู่กลางแม่น้ำเนาะพรกฏว่ามีเหี่ยวเหี่มัคงจ้องมานนานเนาะเหี่ย ว, อ ย, วอยู่สูงเนาะตามันดีดำคงมากเห็นเห็นทารกนะอยู่บน ใครดูแลนะมันมาโชวเลยนะมาโชวเด็กพารกนั่งขึ้นไปแม่แล้วก็เห็นเหี่ยวไมโ่โฉบนะธรรมดาสัญชาตญาณของผู้หญิงนะแบบก็ร้องนะแล้วก็คล้ายๆทำมือแบบไปไทยเอาลูกแขนกลับมาเอาลูกแขนกลับมานะให้เหี่ยวมาเอารูปกลับมาก็สนใจได้เหี่ยวกับพาลกตรง น, นั้นไอ้เด็กผู้ชายโต ไม่รู้ผูชายผู้หญิงนะเขาไม่ได้บอกนะแต่เด็กคนโตนะอยู่บนฝั่งอีกฝั่งนะึงเห็นแม่ทำท่าเกาะมือไหนะแต่จริงแม่เกากมือเรียกเลียกเกี่ยวนักให้ลูกลับมาคนโตนึกว่าแม่เรียกให้ไปหาก็เลยเดินลุยน้ำํำลงมาเลยพอแม่หันกปับมองลูกคนโตที่อยู่บนฝั่งข้านลงมาที่น้ำปรากฏว่าก็ถูกกระแสน้ําไหลพัดไปละจมหา สามีก็ตายลูกคนเล็กก็ถูกเหี่ยวจับไปลูกคนโตก็จมน้ำตายนางก็แบบโซดนะ้าโซเซนะกลับบ้านแบบจิตใจร่ำรอยก็ไปถึงที่บ้านไงเออทำไมบ้านเราไม่มีแล้วไปถามคนใกล้ๆนะคนข้างบ้านบอกโอ้บ้านเศรษฐีคนนี้เหรอเมื่อวานเนี่ย ลูกผูชายคนโตก็ตายตายหมด เขาเรียกว่านางปทาจาราแปลว่าหญิงที่เสื้อผ้าสุดดวยกนางก็เดินโซซัพโซเซเสื้อผ้าสุดดวยแต่ก็มีบุญนะโซเซไปที่ไหนเดินโซเซไปวัดเดินโซเซไปวัดเจดวันพระพุทธเจ้าท่านนั่งประทับอยู่กระดังสอนพระพิสุดสมพิสุณีแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายนะ โสดาโสมาที่หน้าวัดคนที่อยู่ด้านหน้าวัดก็กบบเข้าไม่ได้หญิงบ้าเสื้อผ้าไม่ใส่นะแต่พระเจ้าท่านอาจจะเห็นแต่ไกลนะถ้าไม่ได้เห็นได้สายตาที่รามกนะแต่ท่านเห็นได้สายตาที่ที่เมตตาถ้าอาจจะรู้ได้ยานไม่ก่อนแล้วว่าจะมีหญิงคนนี้มาท่านบอกว่าอย่าห้ามเธอเลยนะอ่พิสุณีเธอไปเอาผ้าห่มใม่นาำหน่อยอแล้วก็พานาำมาหาเรานะ กิธรณีก็เอาพ้าไปห่มให้กับนางแล้วก็พานางมาหามาแล้วไงผู้เจ้ามาพูดประโยคนํสำคัญมากพูดนิดเดียวนะจากที่เป็นบ้านเสียสตินาก็คงร้องรอยนะเดินตามกิธรณีมาใจรอยไปหมดอะเป็นคนหรือคนเดิดนะแต่ผู้เจ้าบอกว่าน้องหญิงเธอจะมีสติเถิด ปะโยชน์นีนะต อ, อนานางได้ฟังน้องหญิงเธอจะมีสติเถิดได้สติกลับมาได้สติกลับมานะเป็นคนปกติเป็นคนปกตินนกตแล้วสักการะกุูเจ้าก็สอนธรรมะเอจนานางก็เข้าใจธรรมะแล้วก็นะเข้าใจธรรมะแล้วก็ออกบวชเป็นพิณีที่ที่เรียกว่ามีเรื่องราวในชีวิตที่จัดทุกมากมากนะ สูญเสียทุกอย่างในชีวิตเป็นทุกข์เป็นบ้าแต่พอใครแหมสําคัญเจ้าพระเจ้าน้องอิงเธอจะมีสติมาเธอสติช่วยเปลี่ยนความทุกข์นะเป็นความพน้นทุกข์ได้เนี่ยสําคัญมากนะแต่มันก็เรียกว่านางก็มีบุญมีวาสนานได้มาพบพระเจ้พยาพระบุตรเจ้าก็สะกิดแล้วก็เตือนแล้วก็ยกจิตของนางให้มันมีสติกลับมาได้ แต่เชื่อเถอะนะไ ม, ม่หลายคนอาจจะไม่โชคดีแบบนั้นคนบาสอยู่เต็มลมบาลจนะิตเวทต่างๆมีเยอะมากแก้ไม่ได้ซะเยอะนะมันก็แต่เราเองนะอาจจะไม่ถึงขั้นหน้าหลักแต่ถ้าเรามีสติเตรียมไว้ก่อนครับมันจะทาให้ความคุกที่มันมากๆมันก็จะน้อยลงนะความคุกที่มันเคยนานนะมันก็จะสั้นลง ชีวิตเราก็จะอยู่อย่างไม่ว่าเป็นทุกข์น้อยลงนะแต่ว่าถ้าเราไปเจอกับความทุกข์ในอนาคตเนะี่ยเราก็จะได้แบบอืมเราก็จะได้เรียกว่าไม่จบกับความทุกข์มากนะที่จริงชีวิตมันเป็นทุกข์นะ <c oughs> ว่จริงนะแต่มันก็ด้วยไวัขนาดนี้เราก็จะมองว่าชีวิตใหญ่มันมันต้องสนุกมันต้องสนุกเพลิดเพลินน ะ, ะมันถึงจะดีแต่เขาจริงจนะังเลย บางครั้งที่ที่เราจเจ้าสนุกอย่างเดียวจะเพลย อ, อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ไม่พอใจบ้างนะแต่เราจะอยู่กับสิ่งที่เราไม่พอใจอย่างไรให้มันก้าวข้ามมาได้เนะี่ยเราอาศัยธรรมะมาช่วยเนาะออาศัยธรรมะมาช่วยเนาะก็วันนี้ก็พวกเราก็ถือว่าเป็นคนมีเรียกว่าอะไรมีบุญมีวาสนานะ เขาว่าบุญวาสนาเนี่ยไม่ใช่แบบเลยอยๆนะไม่ใช่แบบประเภทโชคโชคดีอางทีภาษาไทยอ่ะเรามักเลยพอที่โชคดีไอ้โชคดีเนี่ยมันไม่รู้มันเหมือนคล้ายเหมือนเทพเจ้าบรรดาเทวดาสงสารเลยนะั่นเ่าไม่้นแต่กขบุญวาสนาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสร้างมากอด น, นะบุญวาสนานี้ไม่ใช่โชคที่มันจะตกมาจากฟ้าแต่บุญวาสนาคือสิ่งที่เราสร้าง มาแล้วนะสร้างมาดีแล้วนะเหมือนกับดินนะ่ะเหมือนกับดินที่ดีเราเอาต้นไม้มาปลูกไนงะต้นไม้ก็งามเรามีดินที่ดีรล้รอแต่การปลูกต้นไม้ให้ต้นไม้มันงอกงาเนีนะ่ยบุญวาสนาคือตรงนี้นะที่เราจะได้ปลูกชีวิตเราในทางที่ดีนะทางที่ดีทั้งทางโลกนะแต่ที่พระอาจารย์ว่าบางทีดีแค่ทางโลกนะบางทีก็ไม่พอนะ เป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตถ้าจฉะว่้สามอย่างเนี้ยคนส่วนใหญ่อยากจะเป็นนะเป็นคนเก่งเป็นคนดี <Kindern. S 1> เป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตอหลายคนอยากจะมีแบบเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเก่งถ้าเราประสบความสําเร็จถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยชีวิตจะต้องมีความสุขแน่นอนเลย แต่ค่อยจริงนะ ม, มันไม่ใช่ว่ามีสามอย่างนะหนึ่งบวกสองบวกสามเท่ากับมีความสุขมันไม่ใช่สม ก, การคณิตศาสตร์ <c oughs> จริงนะชีวิตจริงไม่ใช่สม ก, การคณิตศาสตร์บางคนเป็นคนดี อ, อแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ชีวิตเป็นทุกข์ก็เยอะทุกข์อะไร ทำงาน้มันก็เครียดนมันก็ทุกนะคาดหวัาางกับคนอื่นมากคาดหวังกับตัวเองมากก็เป็นทุกข์เราทำทีสักอย่างหนึ่งนะเราไปดูดในเฟซบุ๊กในอะไรก็แล้วแต่ประจันไก้เลยนะแต่มาว่าเห็นไหมไลค์ก็มีอันไลค์ก็ม <c oughs> ีแต่บางคนอนะ่ะพอใจมันใจมันบางทีไลค์เยอะกว่าไม่ ชอบมากกว่าไม่ชอบเนี่ยหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่านะแต่ไปติดที่ตัวไม่ชอบนะมากกว่าหรือคำวิจารณ์นะคอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆเช่นชมเนี่ยก็เยอะนะแต่ไปติดที่คอมเมนต์ที่มันไม่ดีเนะี่ยก็เป็นทุกมากเลยนั้นบางทีความเก่งความดีหรือว่าการประสบความสำเร็จชีวิตเนะี่ยบางทีมก็ไม่ใช่ว่าจะเท่ากับความสุขทั้งหมดของชีวิตนะเพราะว่าถ้าจิตเรามันไม่ดีนะ มันถึงว่าจิตมันเป็นจมกับเรื่องที่มันเขาวิจารณเขาไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์ละหรือการงานที่มันเครียดการเรียนที่มันยุ่งนะ่ะเราก็เป็นทุกข์ละนั้นบางหรบางทีอย่างที่ว่าถ้าเราเจอเราละใครทุกคนมากๆเขาเป็นคนดีพอเขาจากเราไปเราก็เป็นทุกข์ น, นนะไม่ใช่ว่าการที่เราเก่งเราดีหรือเราประสบความสาเร็จชีวิตมันจะทําให้เราสุขไปเสนอไปนะ เราไม่เถื่อใจไม่ทําใจเมื่อเจอปัญหาเข้ามาทีมันก็เป็นทุกได้เหมือนกันแต่ธรรมะนะถ้าคนมีธรรมะบางทีอาจจะไม่เก่งอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เอาแค่ว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนดีแล้วก็มี ธรรมะมนะันมีสตินะมันก็ทําให้ชีวิตมีความสุขได้ทำให้ชีวิตนะไม่ทุกได้นะคําว่าคนดีนี่ไม่ใช่ว่าเราจะสร้างภาพว่าให้เราต้องต้องนุ่งชุดขาวต้องไปอยู่วัดต้องมีชื่อเสียงภาคโคในทางที่ดีไม่ใช่แบบนั้นนะคําว่าเป็นคนดีคือเราเรามีความภูมิใจในการจะทําในคําพูดในในความคิดค ข, ของตัเองนะว่าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นนะ นะไม่ไม่เดือดเยนตัวเราเองด้วยมันนะคือเราก็กลุ้มใจตัเองได้ลนะน่ะเราไม่ได้คิดทําร้ายคนอื่นนะนะอย่างเช่นเราพูดนะเราก็พูดกับเพื่อนเราไม่ได้พูดประชดประชดเธอนะแต่เธอไปฟังว่าเราไปชดเหร อ, อเราก็เสียใจนะแต่จริงเจตนาจริ ง, รงเราไม่ได้ไปชดนะแต่นะมาเจตนาวันนี้นะนะ่ะมาเราโพสตอะไรก็ที่ย้เราไม่โพสตจะว่าใครนะเราก็แค่แสดงความเห็นซื่อตรงนีง้เฉย เธอไม่ชอบแล้วก็เราก็ขอโทษอะไรกันนะคือมันก็บางทีเราแสดงความรู้สึกออกไปบางทีคนชอบก็ไม่ชอบเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่เรารู้ด้วยตัวเราเองว่าเจตนาของเราไม่ใช่จะทําร้ายใครไม่ใช่จะเบียดเบียนใครนะกันว่าคนดีในระดับหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเรามีธรรมะมีสติด้วยมันก็จะทําให้เราปล่อยวางเรื่องพวกนั้นไปได้ด้วยอันเนี้ยเลย แล่รู้อาจจะเป็นสมาการก็ต่อเนะ่อก็เพิ่งมันคิดมาเล่นๆเ น, นี่ย น, นะว่าถ้าเราเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีสตินะชีวิตเราก็จะเท่ากับสามารถมีความสุขได้ด้วยมีความสุขในใช้ชีวิตแล้วก็มีทุกนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่สําคัญแล้วก็ฝากไว้นะแต่ธรรมะไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธว่าเราต้องมีชีวิตแบบจนๆเราจะต้องมีชีวิตแบบลําบาก แต่จะต้องแบบไม่ต้องประสบความสําเร็จในชีวิตเลยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเราสมาเราเรียนหนังสือด้วยความซื่อสัตยสอบเข้าในที่ดีๆทํางานมีเงินเดือนสูงก็ทําได้เรามีความสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็มีชื่อเสียงมีเกียรติยศได้นะแต่ถ้าคนดีก็จะใช้ชื่อเสียงเกียรติยศในทางที่ดีทําระยชน์ให้กับตนเองทำประยชน์ให้กับคนอื่น แต่บางคนมีชื่อเสียงนะใช้ชื่อชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีก็เยอะอันนี้มันก็มันดล้แต่ใช้คือพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความความสุขทางโลกไม่ได้ปฏิเสธความสําเร็จทางโลกนะแต่ท่านแค่เตือนเราว่าความสําเร็จทางโลกบางทีมันไม่ใช่ว่า เ, าเป็นทั้งหมดของชีวิตเนาะให้เรารู้จักเนี่ยในการเรียนรู้ธรรมะเพื่อจะได้เราจะไมีธรรมะมากํากับในการใช้ชีวิต ที่เราจะได้มีความทุกข์น้อยลงนะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยนี่คือก็เราจะได้เราก็ค่อยๆเรียนรู้เอานะ <c oughs> จากตัวอย่างที่ดีที่เรามีนะแล้วก็จากชีวิตประจำวันนี่แหละนะทุกยุกยากมานคือธรรมะทั้งหมดวันสองสามวันที่เราอยู่ด้วยกันก็ไปจายนนะทั้งหลายก็อาจจะอสอนแทรกเข้าไปนิดหน่อยนะให้เป็นเหมือนเหมือน หยอดนเล็ก้พันเข้าไปเอาไว้รอวันเ ต, ติบโตรอวันงอกงามเนาะมันก็จะได้เป็นที่พึ้นให้กับชีวิตเราบ้าง น, นะวันหนึ่งเราก็ไม่อาจจะไม่ได้เจออูวีฟูดาแล้วพวกเธอไปเรียนหนังสือไกลๆวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดนะต้องไปเรียนต่างจังหวัดเลยนะมันแต่เราต้องอยู่กับตัวเองให้ให้ได้นะธรรมะก็จะเป็นเพื่อนเป็นการมิตรให้กับตัวเราเองนะ ก็ก็ฝากไว้นอะกก็เหมือนคล้ายๆก็ต้อนรับยินดีต้อนรับพวกเราที่มาที่ที่อาสมอนุยาตทำเนาะก็เราจะได้มีการเรียนรู้ที่มันมากกว่าวิชาที่เราต้องเรียนเอาไปสอบ <c oughs> อหรือความรู้ที่ที่เอาไปจะไปทํามาหากินในอนาคตเนาะแต่ธรรมะก็จะเป็น เป็นความรู้แบบหนึ่งครับแต่เป็นความรู้ที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นเป็นความรู้ที่ทําให้ชีวิตเรามีความทุกข์น้อยลงเป็นความรู้อีกนะแบบนึ่งที่มันต้องที่มันต้องสมดุล น, นะที่มันต้องสมดุนในชีวิตเพราะบางทียิ่งถ้าเราเก่งมากนะแต่จิตใจเราเป็นทุกข์มากบางทีมันก็จะหาวิธีหาวิธีแบบ ทำร้ตัวเองทำร้ายคนอื่นได้ไดมากเหมือนคนฉลาดคนเก่งนะโกงแนบเนียนเนะ่ยทำโทษให้กับคนอื่นเยอะเลยนะออแต่คนโง่โง่เนี่ยอยากจะทำท้ายคนอื่นอาจาจะทำได้แค่ร่างกายบางทีคนฉลาดคนเก่งเนะอาความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะ่ะก็เกิดโทษทนะีละบันทีความรู้นะ่ะ ถ้าเราใช้ในทางที่ดีนะมันก็ดีใช้ทางที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีนะเหมือนมีดใช่ไหมครับมีดใช้หั่นผักใช้ทำกับข้าวมันก็ดีมีดเอาไว้แทงคนฆ่าสัตว์มันก็ไม่ดีนะมันก็แค่มีด น, นะแต่ขึ้นอยู่กับการใช้นะนะก็ฝากไว้นะดู